ผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมีเรื่องราวอยู่มากมายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนอันแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมอันพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันคนที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครหมดก็คือตัวเองคือผู้ทำกรรมนั่นเองผลชั่วบางอย่างมาเผาอยู่ที่ใจแม้คนภายนอกไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองย่อมรู้เห็นอยู่ทุกวันผลดีบางอย่างคนอื่นไม่เห็น แต่มันมาคอยปลอบพรมให้ความอบอุ่นใจเย็นใจแก่พูดทมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเหมือนโรคภายในโรคภายนอกและสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่เลวของแต่ละคนนั่นแหละคนที่ทราบซึ่งดีที่สุดคือตัวของตัวมีผลกรรมบางอย่างซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งทั้งแก่ตนเองและคนทั้งหลายอื่นเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุได้แน่ชัด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการให้ผลของกรรมดังกล่าวซึ่งข้าพเจ้าขอรวบรวมมาไว้ในที่นี้เฉพาะบางเรื่อง 1. งในงานชาปนกิจศพที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามข้างอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิกรุงเทพครั้งหนึ่งเจ้าภาพได้มอบเงินให้ทางโรงครัวของวัดเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคน โดยมีหญิงวัยสี่สิบคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและจ่ายของแม่ครัวผู้นั้นได้ไปซื้อเนื้อมาเตรียมไว้เจดกิโลซึ่งคงจะยังไม่ได้เก็บให้ดีสุนัขตัวหนึ่งมากินเนื้อหมดหญิงแม่ครัวโกรธแค้นมากผูกอาคาตว่าจะฆ่ามันให้ได้เจ้าภาพบอกว่าเมื่อสุนัข ก, กินเนื้อเสียแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปซื้อมาให้ใหม่ขอให้ทอย่างอื่นไปก่อนแต่แม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่ เมื่อเจ้าภาพออกไปแล้วนางจึงจัดแจงต้มน้ำร้อนด้วยหม้ออวยใบยใหญ่แล้วแกก็ออกไปซื้อเนื้อมาหนึ่งกิโลหั่นไว้เป็นชิ้นๆพอน้ำร้อนเดือดพล่านดีสมใจแล้วแกก็เอาชิ้นเนื้อที่หั่นไว้ไปโยนล่อสุนัขตัวนั้นมันคิดว่าคนเมตตามันมันจึงตามกินเหยือ่อร่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงใกล้ม่น้าซึ่งกาลังเดือด ขณะที่มันกำลังกินเหยื่อก้มหน้าก้มตาขบเคี้ยวอยู่นั่นเองยิงแม่ครัวยกหม้อน้ำร้อนเทราดตัวมันอย่างสะใจน้ำร้อนรดลวกจนทั่วตัวขนหลุดร่วงเนื้อหนังสุกไปทั้งตัวกระโดดโยงขึ้นสุดตัวแล้วกระเสือกกระสนไปนอนตายในที่ที่ไม่ไกลนักยิงนั้นมีท่าทางสะใจคืนแรกที่ตั้งสวดศพพระพิธรมผ่านพ้นไปโดยเรียบร้อย ในวันรุ่งขึ้นรายการบำเพ็ญกุศลเป็นไปตามกำหนดตอนเลี้ยงเพยียมีการลำเลียงอาหารที่ต้มแกงจากข้างล่างเสร็จแล้วส่งขึ้นไปตักจัดตราเทียงบนศาลาการพิเรียนพวกคนครัวเป็นผู้ส่งจากข้างล่างคนบนศาลาคอยรับไปตักจัดใส่ภาชนะโดยส่งและรับกันเป็นหม้อเป็นชามกะละมังและเป็นเข่งกันทีเดียวแม่ครัวคนที่เอาน้าร้อนลวกสุนัข แก่คลงลืมเรื่องราวไปแล้วได้ยกเอาม้อข้าวม้อแกงลาเลียงส่งร่วมกับคนอื่นด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแก่ปรีเข้าไปยกหม้อแกงขนาดใหญ่ที่กำลังร้อนระอุตั้งอยู่บนเตาออกแรงยกเอามาชูส่งขึ้นไปบนศาลาสองแขนชูหม้อแกงขึ้นสูงอยู่ระดับศรีรษะเล็กน้อยทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนศาลาก้มลงเอื้อมมือจะจับที่หูหิ้วทั้งสองข้าง คนรับยังไม่ทันรับแต่คนส่งคิดว่าเขารับแล้วจึงปล่อยมือทันทีหม้อแกงเอียงคว่ำเทราตลงมาตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแกลม้ลมลงสะบัด ต, ตัวดิ้นเร่าๆ เ, เนื้อหนังสุกไปทั่วคนหลายคนรีบพานางส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แกมีชีวิตต่อมาอีกเพียงสามชั่วโมงก็ขาดใจตายเพราะทนพิษความทุกข์ทรมานไม่ไหว 2. หลายปีมาแล้วมีข้าราชการคนหนึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขาเป็นคนใจเหี้ยมโหดขาดเมตตากรุณาต่อสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวเข้าจงเกลียดจงชัางนักเมื่อเขาพบเข้าจะรังแกมันทันทีเตะบ้างปาด้วยท่อนไม้ก้อนดินก้อนหินสุดแล้วแต่จะทำอย่างไรได้สะดวกในเวลานั้นเพื่อจะเตือนด้วยความหวังดีสักเท่าไรเขาก็หาฟังไม่ เพราะเขาเห็นชีวิตสัตว์เช่นแมวหมาไม่มีคุณค่าอะไรบ่ายวันหนึ่งเขาเจอแมวดําตัวหนึ่งกําลังหลับอยู่ใต้ร่มไม้ใบดกคนใจบาปเกิดมันเคี้ยวขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาก้อนอิฐขนาดใหญ่มาเวียงทุ่มแมวเคราะไรด้วยกําลังแรงมันสะดุ้งโยงแล้วชักดิ้นชักงอตายไปทันทีเวลาล่วงไปสี่ห้าเดือนชายคนนั้นป่วยเป็นโรคชักกระตุก ดิ้นงอไปมาหายใจไม่ออกทางบ้านรีบส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผู้เล่าได้เห็นอาการของเขาชักดิ้นชักงอไปมาเหมือนแมวที่เขาทุ่มตายสุดวิสัยที่หมอจะช่วยเหลือได้เขาตายไปเหมือนแมวดิ้นตายนั่นเองสองเรื่องนี้รวบรวมเก็บความจากนิตยาสารโซภมิตรรายเดือนข้อเขียนของอาพารโนซึ่งผู้เขียนเล่าว่า ได้ฟังเรื่องทั้งสองนี้จากจากผู้หนึ่งซึ่งได้พบเห็นด้วยตนเอง 3. าจีนผู้หนึ่งมีอาชีพทางเชือดไก่ขายเวลาเช้าจะนําไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกสีสําหรับตักน้ําเอาไม้คานใส่ระหว่างหูขิ้ของถังและหาผ่านวัดไปตลาดเสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับนานๆก็เชือดคอตัวเองสักครั้งหนึ่งจนคอมีรอยแผลเป็น ผู้เขียนเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในวัดได้เห็นและรู้จักเองแกชื่อกังใครๆเรียกแกว่าเจ็กกังครังหลังสุดดูมันแกเชื่อดคอตอนเองจนตาย 4. จีนคนหนึ่งที่ตลาดพลูธนบุรีเมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายส่งเสียงร้องเหมือนหมูร้องเรียกเมียซึ่งแต่งงานด้วยกันไม่ถึงเดือนให้เอาอ่างรองเลือดมาให้อายีตหมูมา พอได้ของเหล่านี้มาพร้อมแล้วก็ขาดใจตายข้อ3 4นี้รวบรวมจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาของอาจารย์สุชีพปุญญาูุภาพหน้า362 5. ในสมัยรัชกาลที่หชายคนหนึ่งชื่อดำเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายดำหาเลี้ยงชีพในทางรับจ้างคราวหนึ่ง ไปรับจ้างเฝ้าไข่จาระเม็ดที่เกาะครามมีจีนผู้ร้ายมาขโมยไข่เนืองๆเป็นเหตุให้ในายดำโกรธเครืองมากพยายามคอยจับอยู่เสมอคืนหนึ่งนายดำซุ่มอยู่เห็นผู้ร้ายคนจีนมาลักไข่จึงเข้าจับได้พร้อมทั้งของกลางเอาเชือกผูกมัดขโมยไว้อย่างมั่นคงเอาไม้ตีบ้างเอามีดฟันบ้างตามใจชอบแต่ขโมยก็ยังไม่เป็นอันตรายสมใจ จึงไปหาเหลาามาสวนทวารหนักจนจีนขาดใจตายในดำได้นำศพจีนคนนั้นไปฝังไว้อย่างมิชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่ต่อมาตามปกติภายหลังในดำเลื่อมใสในศาสนาถึงกระบวดเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหนองเกตใหญ่หลายพันษาจนได้เป็นสมภารปกครองวัดนั้นตลอดมาเมื่อจวนมรณภาพมีอ า, าพาธเป็นโรคบิด ยังมีกำลังพอเดินได้ไปถ่ายอุจจาระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวนจึงเดินลงจากกุฏิไปฐานอีกฐานนั่นอยู่ในหมู่ต้นกล้วยซึ่งมีทั้งเล็กใหญ่และหนอมากมายแม้ท่านจะพยายามถ่ายเสารเท่าไรก็หาออกไม่จึงขยับตัวลุกขึ้นยืนไมายจะกลับไปกุฏิเวลานั้นท่านรู้สึกว่ามีอะไรเป็นก้อนดำมืดเคลื่อนเข้ามาตรงหน้าท่าน ท่านก็สวนล้มลงนั่งทับหนอกกล้วยลงไปเต็มแรงหนอกกล้วยนั้นสวนเข้าไปในทวาวรพอดีเมื่อกลับมากุฏิแล้วให้เด็กไปตัดหนอกกล้วยนั้นมาไว้ชี้ให้ผู้มาเยี่ยมดูเล่าเรื่องที่ท่านเคยใช้หลา่าส่วนทวาวรจีนขโมยให้ฟังว่าผลของกรรมมาถึงแล้วสมภารดำได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวันก่อนถึงมรณภาพหก สมพานดำตามเรื่องที่ห้านนมีพี่น้องหลายคนในจำนวนนั้นน้องสาวคนหนึ่งของสมพานดำชื่อเปรมเมื่อเปรมยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยให้เฝ้าข้าวเปลือกซึ่งได้นำออกมาพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่เปรมกำลังเฝ้าข้าวเปลือกมีแม่ไก่ตัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ13าตัวมาจิกคุยเขียวกันเปรมแล่เห็นแล้วเกิดขัดใจขึ้นมา จึงเอาท่อนไม้เหวี่ยงปาไปเต็มแรงไม้นั้นตกลงดินก่อนแล้วสะท้อนไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาข้างซ้ายนั้นบอดต่อมาเตรียมแต่งงานแล้วมีลูกสิบสาคนเท่าลูกไก่เวลานั้นนางมีอายุร่วงเข้ามัชชิมวัยวันหนึ่งหน้าฟาดข้าวคนในบ้านเอารวงข้าวที่เกี่ยวแล้วมาฟาดบนปากถังเพื่อให้มเมล็ดข้าวร่วงลงก้นถัง ตามธรรมเนียมที่ใช้กันในแถบนั้นเมื่อถึงคราวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลาแต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดเหลืออยู่อีกหนึ่งฟันนางเฟรมจรึงหยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสียทีเดียวบังเอิญข้าวมาเมล็ดหนึ่งกระเด็นเข้าตาของนางแทงถูกแก้วตาซ้ายทำให้ปวดรวดร้าวเหลือประมาณทุรนทุรายน่าสังเวชยิ่งนัก พวกพ้องช่วยกันรักษาพยาบาลตามกำลังสามารถแต่อาการปรวดหาคลายลงไม่ตามปรึกษากันที่จะหาหมอมารักษาต่อไปนางเปรมทราบเรื่องจึงห้ามเสียบอกว่าผลกรรมของตนตามมาทันแล้วหมอวิเศษอย่างไรก็คงรักษาให้หายไม่ได้ในที่สุดตาซ้ายของนางก็บอดเช่นเดียวกับแม่ไก่เจ ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอเภหนองโดนจัังหวดสระบุรีมีอาชีพทางเป็นพ่อค้าเกวียนได้ซื้อข้าวบรรทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอเขาเป็นคนโหดร้ายใจอำมหิตใช้สัตว์พานะโดยปราศจากเมตตาปราณีให้อดย่าอดน้ำกรำแดดกรำฝนสัตว์พานะต้องทุรนทุรายด้วยงานหนักและอดน้ำกรำแดดอยู่เสมอ ซ้ำเขาคอยพูดหลอกลวงสัตว์อยู่เสมอว่าไปถึงตำบลโน้นก่อนเถิดจึงค่อยหยุดพักกินน้ำกินหญ้าแต่เมื่อถึงเข้าแล้วก็หาหยุดไม่กลับผัดเพี้ยนในที่ข้างหน้าต่อต่อไปอีกสัตว์พานะนั้นได้รับความกระวนกระวายเพราะกระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อถึงที่ที่ได้ดื่มน้ำก็มีแต่น้ำขุ่นข้นเจือได้เปือกตม เขาได้ใช้สัตพานะโดยทำนองนี้ตลอดมาจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้แลเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดุมและกงเกียนหมุนอยู่ที่หน้าอกครวนครางเรียกให้บุตรและพันยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงตนจะใช้สัตพานะให้มีใจสงสารปราณีมันพูดแล้วก็ครวนครางต่อไปอีก และร้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเมื่อบุรพันยาเอาน้ำมาให้ก็ดื่มไม่ได้แสดงอาการหอบและหิวกระหายทำนองเดียวกับสัตว์พาหนะที่ตนเคยทรมานมาเมื่อจะบริพน้ำได้บ้างถ้าเป็นน้ำใสก็ดื่มไม่อร่อยต้องน้ำขุนๆจึงจะอร่อยและพอใจเขาเสวยทุกขเวทนาอยู่ดังนี้หลายวันจึงสิ้นชีพ8ด หลวงทีหรือพระแก่รูปหนึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนมาขอท่านก็ให้โดยดีแต่คนไหนลักขโมยเอาท่านวนด่าว่าไปต่างๆนานาต่อมาวันหนึ่งชาวชาวบ้านผู้เป็นผานคนหนึ่งคงมาลักผักหรือผลไม้ของท่านเข้า เมื่อถูกท่านบนก็โกรธแค้นอาฆาตคิดจะฆ่าท่านเสียจึงให้พัญญาทำขนมแล้วเอาอยาพิษคุกเข้าไว้ให้คนนำไปถวายหลวงชีรูปงานบังเอิญ น, นำไปเมื่อพ้นเพลนท่านฉันเพลนเสียแล้วจึงเก็บขนมไว้ใต้เตียงเพื่อไว้ให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดบริเวณกุฏิท่านเสมอเสมอเย็นวันนั้นเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่าน ท่านจึงเรียกมาและให้ขนมกินไม่ช้ายาพิษได้ซ่านไปในกายของเด็กพระก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรจึงบอกกล่าวให้พ่อแม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นเป็นลูกของชายเพื่อเอายาพิษทุกขนมถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายในวันนั้นข้อห้าหเจ็ดปรวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคํานึง พิสูจร์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงห์และวัฒนาโอสถานุเคราะห์ผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนคุ้นเคยเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในบุญกุศลจามศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำวันเมื่ออยู่ในวัยชราแปดสิบเศษท่านป่วยเจ็บคอรับประทานอาหารและดื่มน้ำด้วยความยากลาบาก ลูกหลานพยายามอ้อนวอนให้ท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท่านบอกว่าอย่ารักษาเลยไม่หายดอกมันเป็นโรคกรรมเมื่อยังหนุ่มท่านเคยบีบคอนกอย่างตายไปหลายตัวบัดนี้กรำมาถึงแล้วท่านนอนทนทุกข์ทรมานอยู่นานเดือนเมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วลูกหลานจึงส่งโรงพยาบาลและไปสิ้นชีพที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำคอรหรือที่ทางเดินอาหารตัวอย่างของผลกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทัานตาเห็นเท่าที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านผู้รู้ได้บันทึกไว้ในที่อื่นและที่ไม่มีใครได้บันทึกไว้เลยยังมีมากกว่าหลายร้อยเท่าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้รวบรวมทุกท่านที่เอ่ยนามไว้แล้วณที่นี้ ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมมีอยู่จริงให้ผลจริงอย่างน้อยที่สุดจิตสํานึกของผู้ทํำนั่นเองย่อมรู้อย่างเต็มที่ว่าตนทํำความดีความชั่วอย่างไรถ้ารู้สึกว่าทําความดีจิตใจก็ผ่องใสเป็นสุขถ้ารู้สึกว่าทําความชั่วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าความชั่วนั้นรู้กันไปมากผู้ทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากสังคมอีกต่อหนึ่ง เช่นต้องอับอายขายหน้าไม่มีใครปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยมองหน้าคนอื่นไม่ได้สนิทไม่สง่าผ่าเผยในที่ชุมนุมชนส่วนคนทำความดีย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับคนทำชั่วทั้งทางด้านสังคมและด้านจิตใจของเขาก็จะดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณภาพดีที่จะรองรับคุณธรรมต่างๆคือเขายิ่งทำดีมากขึ้นเพียงใด จิตใจเขาจะประนีตมากขึ้นเพียงนั้นและความสุขก็ประนีตขึ้นด้วย